อาหารที่เรากินทุกวันทุกวันมันมีเบื้องหลังที่คาดไม่ถึงนะอย่างกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยเขาคำนวณแล้วเนี่ยใช้น้ำถึงหนึ่งพันลิตรนะหนึ่งพันลิตรนี่ก็คื อ, อน้ำในถังน้ำมันนะประมาณห้าถังนะ หลายคนสงสัยหนึ่งพันลิตรในมันไมมันเยอะอย่างนี้นะเพราะว่าน้ําในชามก๋วยเตีม๋มก็นิดเดียวนะเท่ากับน้ำหนึ่งแก้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังของมันเนี่ยนะมันใช้น้ําเยอะนะอย่างเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยนี่ก็มาจากแป้งนะแป้งนี่ก็มาจากข้าวข้าวนี่ปลูกได้ก็ต้องใช้น้นะําน้ําที่ใช้ในการปลูกข้าวแล้วการมาเป็นแป้ง และการเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็หลายร้อยลิตรนะแล้วก็รวมถึงพวกเนื้อนะจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวไอ้พวกที่มากินอาหารสัตว์นะอาหารสัตว์ก็มาจากทั ญ, ญพืชทั ญ, ญพืชนี่ก็มาจากท้องไรท้องนามาจากข้าวนะข้าวสาลีบ้างข้าวเจ้าบ้าง ต้องเลี้ยงกว่าจะมีเนื้อให้เรากินในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำในการปลูกข้าวปลูกธัญพืชนี่ไม่น้อยเลยอันนี้รวมถึงพวกผักชีนะแล้วก็ถั่วงอกอีกนะนี่เขารวมแล้วเนี่ยนะวิจัยกันแล้วประมาณเนี่ยใช้น้ำประมาณ 1,000 พันลิตร ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะแต่เป็นข้าวแกงธรรมดานี่ก็คงใช้น้ำไม่ได้น้อยกันเท่าไหรนะ่เพราะว่าไอ้น้ำไอข้าวที่เรากินข้าวแกงถึงแม้ว่าจะมีจะใช้น้ำจะใช้น้ำน้อยนะในการปรุงแต่ว่าในการผลิตวัตถุดิบเนี่ยก็ไม่ได้น้อยไปกว่าก๋วยเตี๋ยว แต่พันลินี่ก็ยังถือว่าไม่ไม่เท่าไร่นะเมือ่อเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นี่เขาคำนวณแล้วเนี่ยใช้น้ําถึงหนึ่งหมื่นสองพันลิตรสิบสองเท่าของกว๋วยเตี๋ยวเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้เนื้อเยอะนะเนื้อที่กินเนี่ยนะโดยพอแฮมเบอร์เกอร์ของฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยธรรยัญพืชนะพวกถั่วเนี่ยข้าวเนี่ย เราก็ต้องใช้เยอะด้วยกว่าจะได้เนื้อมาแผ่นหนึ่งมาชิ้นหนึ่งให้เราได้กินในรูปแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็าํานวณว่ามันต้องใช้ป่าเนี่ยเขตร้อนประมาณห้าตารางเมตรนะในการผลิตแฮมเบอร์เกอร์แต่ละชิ้นป่าเขตร้อนนี่หายากนะห้าตารางเมตรนี่ก็ไม่น้อยทีเดียวทำไมถึงใช้ป่าห้าตารางเมตรก็เพราะว่า ต้องมีการถางป่าเพื่อที่ได้ปลูกทัญพืชสำหรับเลี้ยงสัตว์นะเพราะว่าพื้นที่ที่จะปลูกทัญพืชเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแพร่หลายแล้วก็ต้องไปไปถางป่าเอานะแถวเขตอเมซอนอเมริกาใต้เนี่ยเป็นป่าอย่างดีนะป่าดิบชื้นนะก็ถางนะเพื่อที่ได้ปลูก อาหารเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะไม่ได้เลี้ยงคนนะเอเลี้ยงสัตว์ก็ห้าประรังเม็นั่นแหละนะถึงจะได้ทั ญ, ญพืชสำหรับผลิตออกมาหรือแปรรูปมาเป็นเนื้อให้เรากินกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเบื้องหลังที่ไม่น่าเชื่อเยอะมันเหมือนกับ ยอดของภูเขาน้ําแข็งนะยอดภูเขาน้ําแข็งในเราเห็นแค่หนึ่งส่วนแต่ว่าข้างล่างมันเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยประมาณสิบส่วนอาหารที่เรากินอ่ะคล้ายๆกันแบบนั้นนะนะอันนี้ไม่ใช่ว่ามีเบื้องหลังที่อ่าไม่น่าเชื่อในเรื่องของวัสดุนะที่พูดเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องของวัตถุดิบมันมีเบื้องหลังมากกว่านั้นอีกเช่น กว่าอาหารจะมาถึงมือเราเนี่ยจะอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันตกหล่นระหว่างทางนะถูกทิ้งแล้วก็เน่าเสียเนี่ยก่อนที่มาถึงเราเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งในสามนะหรือว่าในบางที่เนี่ยอาจจะถึงครึ่งหนึ่งนะมันสูญหายไปยังไงบ้างนะก็เช่นตอนอ่า เก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่ในใ น, ใ น, นาอันไหนที่ไม่สวยก็ทิ้งนะอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยถ้าไม่สวยมีรอยตำหนิก็ทิ้งตรงนั้นเลยนั่งแตงโมแล้วก็ผักก็เหมือนกันนะตามสวนเขาก็ทิ้งไว้เยอะเพราะมันไม่สวยเพราะมันมีแมลงกัด หรือมิฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวไม่ทันนะหรือว่าตกหล่นนะอันนี้ก็หมดไปแล้วหน้ายีบรซนตแล้วตอนตอนขนกนะขนไปไปเก็บในโกดังนี่ก็ตกหล่นไปอีกเยอะนะจากโกดังเนี่ยเอาไปแปรรูปในโรงงานนะตกหล่นระหว่างทางก็อาจจะน้อยนะแต่ว่ามันไปทิ้งเอาตอนแปรรูป ไม่สวยบ้างละไม่ได้คุณภาพบ้างหละกก็ทิ้งอีกหรือว่าพอแปลรูปแล้วเนี่ยมันก็มีตกหล่นระหว่างทางก่อนที่จะขนไปไปที่ห้าง น, นะนะแล้วคนเราเนี่ยพอไปที่ห้างเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกกันอีกหรือไม่ฉชนนั้นก็ไม่มีคนซื้อก็ทิ้งอีกนะ พวกขนมปังนี่ทิ้งเยอะนะพวกอาหารเนี่ยตามหสังสรสินค้าฟู้ดคอร์ทนี่ก็ทิ้งเยอะนะอันนี้ทั้งที่เป็นพวกวัตถุดิบนะที่ยังไม่ได้ปรุงหรือปรุงแล้วเนี่ยแล้วมาถึงเราเนี่ยนะมันก็เหลือแค่ 60% ซหรือว่าจะแค่ 50% เจากที่ผลิตได้นะที่แหล่งกำเนิดนะ แล้วเรากินจริงๆเนี่ยนะเราอาจจะ ก, กินไม่ถึงครึ่งหรืออาจจะ ก, กินแค่หกสิบปอร์ซนไอ้ที่เหลือเป็นไงทิ้งอีกนะแม้แต่ที่นี่นี่ก็ทิ้งไม่ใช่น้อยนะเพราะว่ากินไม่หมดหรือว่ากินกินแล้วก็กินไม่หมดในในบาทเนี่ยถึงแม้ว่าที่นี่จะพยายามจะเอาไปทําให้เป็นประโยชน์ไม่ให้เป็นขยะแต่ว่าที่อื่นนี่นทิ้งกันเยอะมากก็ประมาณว่าเอาข้างจริงเนี่ยบริโภคเนี่ แค่4ี่ห้าเปอเซนนะหรือผู้ยางคือตกถึงท้องแล้วเนะี่ยแค่ไม่ถึงครึ่งที่เหลือเนี่ยทิ้งโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเมื่อเรานึกถึงคนที่เขายากจนอดอยากหิวโหยในเมืองไทยก็ดีตามสลัมก็ดีในประเทศอย่างแอฟริกาก็ดีพวกนี้นี่คนหิวโหยนี่ เกือพันล้านคนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยไม่มีข้าวกินนะแต่ว่าไอข้าวจำนวนมากมหาศาลเนี่ยมันทิ้งก็ประมาณเขาคำนวนกับทั้งโลกเนี่ยอาหารที่ถูกทิ้งเนี่ยนะไม่ได้ใช้เนี่ยประมาณสักพันกว่าล้านตันก็เลี้ยงคนได้นับพันล้านคนทั้งปี น, นะ ไอ้ที่ิ้งนี่นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังเป็นโทษนะคือมันเป็นขยะกรมลพิษอีกนะอันนี้คือเบื้องหลังนะคือเบื้องหลังอาหารที่เรากินซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ให้รู้ค่าของอาหารกินอย่างรู้ค่าไม่ใช่ตักเอาอ่ตาตักเอาตักเอาเสร็จแล้วก็ทิ้งเพราะกินไม่หมดนะ หรือว่ากินตามใจปากอันไหนไม่อร่อยนะไม่ถูกปากก็ทิ้งนะอันนี้นเป็นความสิ้นเปลืองมากนะแล้วก็เราจะได้บริโภคโดยตระหนักว่าการบริโภคของเราจะไม่ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อม แต่ที่สำคัญคือว่าเมื่อบริโภคแล้วเมื่อกินแล้วเนี่ยก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะด้วยการทำความดีนะดวยการทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้มันคุ้มค่านะอย่าไปคิดแต่ค่างเงินนะไอ้ค่างเงินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นของสมมุตินะ อย่างที่เขาว่าเงินทองเป็นของมายาเงินเข้าปราเป็นของจริงเราอาจจะซื้อมาด้วยเงินของเรานะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทิ้งนะยังไงก็ได้เพราะมันก็กลายเป็นภาระนะของสิ่งแวดล้อมนะภาระของสังคมในการจัดการเพราะมันกลายเป็นขยะนี่นี่เฉพาะอาของเฉพาะอาหารนะ ยังไม่นับน้ําดื่มน้ําดื่มนี่ก็เบื้องหลังมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันมันใช้น้ํามันมหาศาลมากใช้น้ํามันทั้งในแง่ขงการผลิตขวดซึ่งเป็นพลาสติกใช้น้ํามันในการขนส่งแต่ก่อนน้ําที่เรากินนี่มันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องเปึ๋งน้ํามันในการขนส่งเลยนะเพราะว่า เรากินน้าที่ร อ, องได้นะจากน้ำฝนรองได้จากฝนหรือไม่ก็ใช้น้ำปลาปลาน้ำปลานี่มันก็ไหลาตามท่อมันก็ไม่เปืองน้ำมันอยู่แล้วหรือบางทีก็ใช้น้ำบาดาลนนะแต่จริงจน้าที่เรากินเนี่ยเก้สิเอเซ็ือจะลอยท้องอยเนี่ยมันต้องขนมาจากที่อื่น ก็ต้องใช้น้ำมันกินเสร็จแล้วเป็นไงทิ้งก็ต้องใช้น้ำมันในการขนไปกำจัดพอเผาก็เป็นมลพิษนะก่อปัญหากสิ่งแวดล้อมอีกอชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละขณะแต่ละขณะ น, นี่มันสร้างภาระกับสิ่งแวดล้อมมากทีเดียวมากกว่าสมัยก่อนนะ ชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยทรัพยากรด้วยชีวิตมากมายแล้วบางีก็เป็นทรัพยากรของคนอื่นด้วยนะเช่นเนื้อเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์นี่มันก็ได้มาจากป่าในเขตอเมริกาใต้เงี้ยโอ้โหคนที่นั่นก็ชาวไร่ชาวชาวป่าก็ถูกไล่นะไม่มีป่าอยู่นะเพื่อที่จะถางป่ามาเป็นไร่นะ ก็เดือดร้อนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยไอ้การที่เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันด้วยรัพยด้วยอาหารเนี่ยมันมันเกิดมันเป็นมันเกิดจากความเอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลนะของผู้คนต่างๆมากมายแล้วก็รวมทั้งเกิดจากการผลานการทำลายทรัพยากร ทังก่อนที่จะมาถึงเรานะแล้วก็หลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วหรือว่าไม่ใช้ทิ้งเนี่ยเมื่อตึงหลักเช่นนี้แล้วเนี่ยก็พยายาม1ก็คือกินอาหารอย่างรู้ค่ารู้จักพอนะไม่ก่อให้เกิดขยะมากมายแล้วก็2กินแล้วนี่ก็พยายามใช้ช่วยให้เป็นประโยชน์จะปล่อยช่วยมันสูญเปล่าหรือว่านําไปสู่การผ่า น, านภาดทรัพยากรอีกมากมาย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงนะนอกจากการนะกินอาหารอย่างมีสติแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีความรู้นะไปถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะของอาหารแล้วก็ทรัพยากรที่เราใช้ซึ่งก็ช่วยทำให้นะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เกื้อกูลต่อส่วนรวม แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ก็ไม่ต้องคำนึงพวกนี้มากเพราะว่าการบริโภคของเราเนี่ยมันไม่ค่อยไปเชื่อมโยงกับอะไรต่ออะไรมากมายเหมือนสมัยนี้นะและอย่างหนึ่งคนก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคนก็แค่พันล้านคนนะเมือ 50, อม่อห้าสิบเมื่อสองพันล้านคนเมืม่อมาห้าสิบปีที่แล้ว ตอนนี้มันเจ็7 0ันล้านคนเข้าไปแล้วท่นแต่ละคนก็กอ่อผลกระทบมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงด้วยในระหว่างที่เราบริโภคอาหารอแล้วก็เตรียมรับพร